ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติของสติธรรมชาติของสติเนี่ยทำหน้าที่ระลึกได้ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาของสติเนี่ย ธรรมชาติของสติอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเวลามีอารมณ์ดีมากระทบสติก็ไม่ได้ดีไปด้วยแต่รู้หรือเมื่อเวลามีอารมณ์ร้ายมากระทบสติก็ไม่ร้ายไปด้วยแต่รู้คือรู้อารมณ์ที่มากระทบการรู้นี้ก็ต้องรู้แบบธรรมชาติ การรู้ซื่ออนี่แหละคือธรรมชาติของสติ